ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มงพระพุทธยาณกำลังนำเสนอความดำริของพระพุทธสัตว์ก่อนที่จะสัรสรู้แต่เป็นข้อความที่นำมารับสั่งเล่าแก่พระสงค์ในโอกาสต่อมาคือหลังจากที่ได้สัจสรู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปแล้ว ข้อความทั้งหมดที่รับสั่งเล่านั้นแสดงถึงพื้นฐานของศีลสมาธิที่สูงส่งปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปแต่เราเทียบเคียงกับความรู้ของคนยุคนั้นที่สูงสุดก็คือระดับของอุตกระดาบทรามาบุตรคือได้รูปฌปานข้อที่สี่ และพระโพธิสัตว์จะสูงส่งกว่านั้นเรามองนักบวชอีกชุดหนึ่งคือพรามภาวรีที่ตั้งคำถามมาถามพระพุทธเจ้าโดยส่งลูกศิษย์สิบหกคนมาถามปาัญหาแสดงว่าความรอบรู้ความเข้าใจในโลกในชีวิตในธรรมะของท่านท่านพรามภาวรีก็ไม่ใช่ธรรมดา นอกจากนั้นก็มีพวกคําสอนในพวกพระเวทเป็นนันมากก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันก็ทำให้าาเราเห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าเหมือนดวงประชีพชัชวานที่เกิดขึ้นในท่ามกลางดวงประชีพทั้งหลายก็ไม่ใช่เป็นดวงประชีพที่เกิดขึ้นท่ามกลางแสงหิงหอย พอในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนยุคนั้นเป็นยุคทองทางศาสนาจริงๆความรอบรู้ความคิดความเข้าใจโล ก, กัาน์ของท่านคนที่เป็นนักปราชญ์จริงๆเนี่ยก็เรียกว่าโลกสงบทีเดียวแต่ที่ดีขึ้นไปกว่านั้นคือว่าพอพระพุทธเจ้าสัจรู้แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ระดับนักปราชญ์ มากลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตอนนี้ตอนนั้นก็แสดงถึงความเจือจางของกิเลสภายในใจของท่านอยู่ไม่น้อยแต่ก็มีบางคนนะเช่นท่านสัญชัยปริภาชกแต่ก็ยึดติดในความเป็นใหญ่ของท่านแล้วก็ตายไปด้วยความหลงง่ายในขณะที่นักปราชญ์เป็นนันมากที่เข้ามาบวช ในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุพฝนเป็นประหันไปก็อย่างที่บอกไว้ว่าเอกการต่างๆที่ทรงคิดทรงพิจารณาทรงหาคําตอบนไม่ทราบประสงค์คิดอะไรก่อนอะไรหลังเพราะในบาลีก็ใช้แต่คำว่าสมัยหนึ่งครั้งนั้นแลโดยสมัยนั้นแลอะไรต่ำหนงนีน้คือไม่เรียงลำดับการเอาไว้ คือไปบันทึกไว้คล้ายไดายอารี่นะแต่ว่าความคิดเหล่านี้ที่จริงก็อยู่ในเวทวงของโลกกัะชีวิตเห็นว่ามองเป็นกระบวนการลึกซึ้งขนาดไหนข้อความต่อไปนั้นปรากฏในทัศรรมสูตรพุทธวัคอาภิสมัยะสังยุตนิธานวัคสังยุตตนิกายเนี่ย ก็ลึกซึ้งมากเป็นพิเศษทีเดียวรับสั่งล่าว่าลิกสูตั้งหลายครั้งก่อนแต่การสัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้สัสรู้ยังเป็นพระบูธิสัจอยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเกินย่อมเกิดแก่ตายจุติและบังเกิดเหมือนสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไป พ้นจากทุกขิจฉรามรณะแล้วการออกจากทุกขิจฉรามรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรครานี้เราสังเกตว่าเป็นเป็นความคิดในคราวที่ก่อนจะเสด็จออกผนวดก็คิดในโครงสร้างนี้เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถขยายออกไปให้พิสดารคือทรงมองแต่ว่า ความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นแก่เทวทูตทั้งสามนั้นเราก็สืบเนื่องมาจากความเกิดถ้าหยุดเกิดจะได้ความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไม่มีแต่ปัญหาว่าทำยังไงจะหยุดเกิดได้แต่ในช่วงนี้สงมองสาวไปจากตัวความแก่กับความตายคือสาวไปลักษณะย้อนต้น แต่ว่าตอนที่ก่อนเสด็จออกพนวก็ย้อนต้นนะฮะเพียงแต่ว่าไปติดอยู่ที่เกิดแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดมันมาจากอะไรในในคราวนี้ก็มองจากแก่จากตายเหมือนกันจะมองแบบสืบสาวที่เราเรียกปัจจยยการตรงนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่นี้การพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรือว่า ความรู้เห็นปฏิจจสมบาทเนี่ยมันจะเหมือนกับเถาวัลที่มันเลื้อยคือคนที่ต้องการจะตัดเถาวัลเนี่ยมันเจอเถาวัลตรงไหนก็ไม่แน่อาจจะเจอเจอที่ที่โคนมันแล้วก็สาวไปถึงปลายคือตัดที่โคนแล้วก็สาวปลายมาด้วยนะปลายบางติดมาเองในตรงใบกล้วย แต่บางทีก็ไปเจอที่ปลายแล้วก็สาวกลับมาที่โคนก็มาตัดที่โคนนั่นแหละแต่บางทีก็ไปเจอตรงกลางเราต้องการส่วนไหนล่ะถ้าต้องการส่วนปลายก็อาจจะอาจจะตัดตรงกลางก็ได้หรือต้องการทั้งหมดก็สาวกลับมาที่โคนก็ไปตัดที่โคนก็แสดงว่ามันก็มีวิธีของมันคือสี่วิธีด้วยกัน แต่ผลสำเร็จจะเหมือนกันในชั้นนี้ก็ทรงมองสืบสาวว่าภิกษุทั้งหลายความจังหนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชารามรณะจึงได้มีแล้วตั้งคำถามว่าชารามรณะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยแต่นั้นก็ตอบว่าได้เกิดความรู้สึก ด้วยปัญญาและความคิดโดยแยบคายแกเราว่าพระชาติคือความเกิดนี้เองมีชรามรณะจึงมีแสดงว่าชรามรณะมีพระชาติเป็นปัจจัยแล้วก็สาวมาเรื่อยนะตามโครงสร้างของปฏิญาสมบัติจนมาถึงอวิชชาทีนี้มันมีปัญหาในเรื่องของการทาความเข้าใจก็เรียกว่าเยอะทีเดียว ตามปกติแล้วเรามักจะไปนิยามเอาเองหรือไปตีความเอาเองชรามรณะคืออะไรคือตามปกติแล้วถ้าส่งแสดงแก่คนที่มีพื้นฐานหรือว่าสนามบารมีแก่กล้าพอรู้จ้า ก, ก็ใช้ทัพไปอย่างนี้นเด็กและคนความก็เข้าใจแล้วที่จริงชรากับมรณะนั้นก็คือสิ่งที่เราพบเป็ีนนี่แหละ ชราก็ได้แก่ความแก่งหงอมของอินทรีย์ที่ล่่มการผ่านวัยกันมาโดยลาดับแล้วก็ชราก็ปรากฏได้ชัดเจนเห็นว่าควบคุมอวัยวะมือเท้าไว้ไม่ได้ตามที่เราต้องการมีผมหงอกมีควันหักมีหนังเขียวโย่มีตาพร่ามัวมีหูไม่ค่อยได้ยินมีหลังคล่อมไปข้างหน้าอะไรต่างๆหรือเป็นอาการของชรา เป็นคําที่ทรงอธิบายขยายความให้เราเห็นว่าธรรมชาติเหล่าเนี้ยที่จริงมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นกระบวนการของชีวิตในหน่วยย่อยที่สุดที่เราเรียกว่าดุเซนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในร่างกายมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดเลือดไหลกันไปแต่ว่าอาศัยที่มันมีสันติคือการไหลต่อสืบเนื่องกันมา ก็ทําให้ในช่วงหนึ่งเนี่ยเราเรียกชาราดจริงๆเราเรียกสองช่วงนะครแต่ช่วงแรกเนี่ยเขาไม่พูดว่าชารากันก็พูดว่าโตรเรียกว่าเจริญไวัยนะใช้คําว่าเจริญวัยแต่ถามว่าเจริญวัยแปลว่าอะไรเจริญก็คือเจริญนะฮะมีเพิ่มพูนขึ้นมีกำลั า, าขึ้นไปดีขึ้นแต่ว่าะระยะเนี่ยแปลว่าเสือ่อมวัยเนี่ยแปลว่าเสือ่อม ก็แสดงว่าความเสื่อมนั่นเองแต่เราปรากฏออกมาในรูปของความเจริญคือเปลี่ยนแปลงในแนวที่สูงขึ้นพอมาถึงจุดตรงนี้เขาเรียกว่าชรามันปิดคือภาพลักษณ์ของชรานั้นไม่ปรากฏเด่นชัดออกมาแล้วคนก็พอใจดีใจที่ได้สถานะอย่างนั้นมีการเฉลิมฉลองในวัยของหนุ่มสาวต่างๆตรงการผ่านวัยมา จะเรียกว่าอายุเกือบๆจะกลางคนชราก็เริ่มปรากฏชัดเจนมาจริงขินผมผงงอกฟันหักหนังเหี่ยวย่นตาพร้ามัวเรียวแรงอ่อนน้อยลงไปอะไรต่ะต่างๆในี่เป็นอาการของชราพวกนี้เป็นสภาวะธรรมที่เราไปแก้ไขไปหยุดอะไรเขาไม่ได้ วิธีการในาศาสนาจึงสอนในแนวที่เรียกว่าแก่ก็แก่แต่ทำยังไงจะแก่แบบต้นไม้ล่ะไม่ใช่มะพร้าวมะละกอนะฮะคือแก่แบบต้นไม้ธรรมดาเนี่ยต้นสักต้นเต็งรังต้นอะไรต่ออะไรต้นตะเคียนเนี่ยมันเป็นความแก่ที่เพิ่มถุกสัดส่วนของต้นไม้ต้นนั้น รากก็เหยียดยาวออกไปแล้วก็ขนาดก็โตขึ้นความยาวก็ยาวเพิ่มขึ้นพวกเราต้นก็โตขึ้นมีแกนเพิ่มขึ้นกิ่งก้านสาขาก็แตกออกไปกว้างขวางแล้วก็ออกดอกออกผลแผ่ออกไปคนได้อาศัยหมดทุกส่วนต้องการร่มเงาก็ได้ร่มเงาต้องการดอกได้ดอกต้องการใบได้ใบต้องการผลได้ผลต้องการกิ่งได้กิ่งต้องการเปลือกได้เปลือกเป็นต้นเนี่ย แต่เราถึงต้องการแก่นก็ได้แก่นชีวิตของคนเราเองก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าเข้าใจเหตุผลในการครองชีวิตว่าเมื่ออายุเรามากขึ้นเนี่ยเราจะเอาความสวยงามเอาอะไรเรียวแรงความสง่าต่างๆเนี่ยมาชดเชยไม่ได้หรอกแต่ว่าทำยังไงให้มันเพิ่มคุณธรรมภายในขึ้นมา ที่จำนวนแตนชายเข้ามากแก่ศีลแก่ทานแก่ภาวนานมันเป็นความแก่ที่มีคุณธรรมเพิ่มขึ้นภายในใจมีสาระแก่นสารที่ให้ความพากภูมิใจเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพที่เราเรียกวุวธบุคคลวุฒบุคคลที่เป็นเนื้อหาสาระจริงๆมันก็มีอยู่สามประเภทอะแต่ลองสังเกตว่า ประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าวัยวุฒเนี่ยมันเป็นเรื่องของจักรราศีมันหมุนไปเราก็แก่เองอะ่ะจะทำอะไรหรือไม่ทาอะไรก็กลายเป็นคนแก่ไปเองเราไม่สามารถจะหยุดอายุไปได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าคุณวุฒคือเป็นความเจริญก้าวหน้าในด้านคุณธรรมความดีมันก็เหมือนอายุการ์ยุจิตของคนเนี่ย คนบางคนอายุกายอาจจะยี่สิบแล้วอายุจิตอาจจะสิบสองสิบสามนั่นเองของคิดกว่ า, วาเนีจยเป็นเด็กอยู่เลยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคุณอาวุธนี่มันไม่เพิ่มขึ้นแต่วัยวุฒิมันเพิ่มแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนนั้นแหล ะ, จะเจริญทานจเจริญศีลจเจริญภาวนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเพื่อที่ภาวะอายุยี่สิบอายุจิตยี่สิบอายุกายยี่สิบฟังได้ แต่ถ้าอายุกายี่สิบอายุจิตจากสามสิบสี่สิบมันก็เป็นคนพิเศษเป็นคนโดดเด่นมีวุฒิภาวะสูงก็เรียกว่าความคิดประมาณเป็นผู้ใหญ่เกินตัวแล้วก็กลายเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายก็ลองสังเกตกว่าคนบางคนเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะทำอะไรได้ดีๆอย่างนายกรัฐมนตรีของอังกฤษหรือประธานาธิบดี ปูตินของรัสเซียเนี่ยก็อายุก็ยังน้อยทั้งคู่แต่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยแสดงถึงว่าวัยวุฒิของเขาเนี่ยคุณวุฒิของเขาเนี่มันเหนือกว่าวิยวุฒิคือวัยเนี่ยไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าความรู้ความคิดความสามารถและพื้นฐานในระดับต่างๆเขาก็สูงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ พระเจ้าประเสนิโกศลซึ่งกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระสมณโคโดมปฏิญญาณตนเป็นพระอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหรือพระเจ้ารับสั่งว่าถ้าจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งว่าเป็นปรอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ควรจะพูดถึงพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าประเสนิโกศลก็กล่าวว่า คนอื่นนี่เขาแก่ๆ ก, กว่าพระสมนากโดมเนี่ยเขายัางไม่กล้าปฏิญาณว่าเป็นอนานตมมาสมุท ธ, ธาเลยแต่ปัสมนากโดมยังหนุม่มเน่ทําไมจึงกล้าปฏิญาณพราะเจ้ารับสั่งไปแจกความว่าคือสิ่งสีสีอย่า ง, งนะครับบุคคลอย่าดูหมิ่นว่ามันเล็กหรือวันน้อยภิกษุอย่าดูหมิ่นว่าหนุม่ม พระราชาจะดูหมิ่นจะสรงพยาวอสรพิษจะดูหมิ่นมาตัวมันเล็กไฟจะดูหมิ่นมาตัวกองมันน้อยพวกนี้สามารถจะให้คุณให้โทษได้ทั้งหมดภิกษุหนุ่มๆใน น, น้อยๆ อ, อ, อย่างสามเณรบางองเป็นสามเณรเดวัดอายุแค่เจ็ดขวบแต่นั่นเองเป็นพระหานักก็แสดงอายุไม่ค่อเกี่ยวอะไรเท่าไหร่หแต่วุฒิภาวะภายในก็สูงพอ แต่ยางน้อยที่สุดเนี่ยคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยคุณธรรมต้องมากตามทําไม่มากตามมันก็อย่างที่คนไทยก็พูดไปดีนะแก่มะพร้าวทํามะละก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยมันจะกอยิ่งแก่มะพร้าวยิ่งแก่เนี่ยยิ่งสูงขึ้นนะต้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรจะเห็นว่าลูกมันก็นเล็กนิดเดียวแล้วก็จํานวนน้อยด้วย ในขณะเดียวกันใครต้องการเก็บมันก็เก็บยากเลยมะพร้าวก็มีลักษณะอย่างนี้นก็เรียวกว่าปลายมันเรียวแต่ความเจริญเติบโตของสิ่งอื่นเช่นต้นไม้ทั้งหลายต้นไม้แก่นทั้งหลายนี่มันโตยังมีสัดส่วนยิง่งโตยิ่งมีค่าขึ้นแล้วก็สิ่งเหล่านี้สามารถจะน้อมนำมา ประพปฏิบัติแล้วก็กลายเป็นความแก่ที่ยั่งยืนหมายความว่าเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะอยิงย่งเนี่ยความเป็นผู้ใหญ่ของเราที่โรงการผ่านวัยมาพอสมควรทำอย่างไรจึงจะรักษาพรูมิหัรธรรมไม่ได้ทำอย่างไรจะงดเว้นนัติ ไ, ได้ทีนี้าหาว่าไม่ได้ขนาดนั้น ทำยังไงอย่าโกรธอย่าอาฆาตพยาบาทอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปริษยาเด็กอย่าไปอาฆาติกับเด็กมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เยาว์เขามีความเจริญก้าวหน้าไปเราก็ใกล้าตายเข้าไปนะฮะเขาก็กำลังโตคือปล่อยให้คนโตก็โตเราก็ใกล้าตายก็อยู่อย่างคนใกล้าตายแต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมตัวตายเอาไว้ มรณะคือความตายเนี่ยได้แก่ความแตกทําลายของชีวิตคือตายอย่างที่ตายเนี่ยฮะอย่างคนตายปลาตายสัตว์ตายเนี่ยตายคือไม่มีลมหายใจอะ่ะแต่ว่าท่านท่านพูดถึงว่าความแตกทําลายของชีวิตจินทรีย์ทั้งหลายซึ่งมันก็เป็นธรรมดาอย่างหนึ่งในความตายเองเนี่ยมันก็มีอยู่สามลักษณะที่จึงอาจจะเรียงเป็นสี่ก็ได้นะหนึ่งคือนิกะ มรณนะคือตายอยู่ทุกขณะหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกเป็นตายคนเก่าหลุดร่วงไปคนใหม่เกิดขึ้นแทนคนเก่าหลุดร่วงไปคนใหม่เกิดขึ้นแทนเส้นเก่าตายไปเสน้นใหม่ตายแทนเนี่ยเกิดขึ้นแทนเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเลื่อนไหลของชีวิตแต่ตัวที่หล่อเลี้ยงเป็นชีวิตเนี่ยตัวปราณคือลมหายใจเขา้าออกบรรดาบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ตับนั้นชีวิตก็ยังอยู่ แต่ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันคู่กับความตายคือว่าความตายมันเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครรู้เกิดขึ้นได้อยู่ทุกขณะความตายอย่างหนึ่งจึงเรียกว่าอาการละมรณะคือตายในขณะที่ยังไม่น่าตายยังไม่ถึงคราวที่จะตายมันเป็นความประมาทของเขาเองบ้างไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งคนตรงนั้นแหะเขาประมาทบาง จนเราเดินมารถชนหรือจอดอยู่รถเพื่อนมาชนเนี่ยแต่วบางทีก็เป็นกรรมมาตัดเขาเรียกอุปค า, าต่กรรมกรรมข้ามาตัดเกิอทําให้ชีวิตติณสีมันก็แตกทําลายได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่เรารับผิดชอบได้จริงๆคือขณะในแต่ละขณะเนี่ยเราไม่สามารถรับผิดชอบนาทีหน้าได้ชั่วโมงหน้าได้ เ, เรารับผิดชอบได้ขณะนั้นนั้นตั้ง เ, เพราะนาทีหน้ามันไม่แน่เราอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ คนบางคนเวลาบางทีเนี่ยเขานิมนต์มาเนี่ยตั้งหลายเดือนล่วงหน้าเนี่ยเราก็พูดธรรมดานะ่ะแต่ว่าเขาหาว่าพูดเล่นบอกว่าถ้ายังไม่ตายซะก่อนก็ได้เพราะว่านิมนต์ล่วงหน้านานเหลือเกินเนะี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าเราเราจะอยู่ถึงวันนั้นก็ไม่รู้เพราะในการมองถึงชีวิตกับมองถึงความตายนี่จึงกลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน เราเห็นว่าการดูลมหายใจเข้าออกในที่จริงก็คือศึกษาเรื่องเรื่องชีวิตเรื่องความตายหรือมโนนสติหรือมานุสติก็เป็นการาระลึกถึงความตายลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าเนี่ยก็ตายทั้นั้นเลยตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติหรือธรรมดาของชีวิต มันเป็นผลไปแก้ไขอะไรไม่ ไ, มได้แล้วมันเป็นผลที่ะยอยกันมากันเป็นคลื่นแต่ว่ารู้วิจาร ก, ก็จับพระโพธิสัตว์ตรงนี้ยังเป็นพระโพธิสัตว์คือจับสาวจากตรงนี้ไปแล้วก็ย้อนขึ้นไปสู่อดีตใน่สุดก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าสรามาณ์มีพระชาติเป็นปัจจัยที่นี้ชาติความเกิดเนี่ย ความเกิดพระพุทธเจ้าจะเน้นว่าความเกิดในกำเนิดทั้งสี่ประการคือเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยผู้ขึ้นแล้วก็เกิดเป็นชีวิตอ่ะจากตัวเลขที่สุดแล้วก็กลายเป็นชีวิตขึ้นมาไม่ใช่การเกิดในขนาดจิตนะฮะเหตุว่าความคิดเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็บรรกเบิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่มีการอธิบายกันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้มันเป็นเรื่องขนาดจิตตรงนั้นถ้าพูดถึงว่า อุป น, นะหรือว่าอุปาทะอะไรแต่ไรนี้ได้แต่ว่าใช้ชาติไม่ได้นะชาติจะใช้คํายคอย่างนั้นเท่านั้นเพราะาชาติก็คือยาเตซั่งเตซั่งสัตตานังตัมหาตาหัหะสตะนิกายายาชาติสั้นชาติขันธานังปาตุภาโวอายตานานังปฏิลาโวอย่างวุจติภิกเวชาติทรงนิยามอย่างนั้น การเกิดการเกิดพร้อมการได้อาจจรณะความปรากฏแห่งขันของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆอันใดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรีย ก, กว่าความเกิดผู้เจ้านิยามเองผู้เจ้าสอนผู้เจ้านิยามก็เมื่อนิยามอย่างนั้นก็คืออย่างนั้นเมื่เนี้ยมีมีคนเป็นมากที่ทำฤษีแปลงสารเช่นสมมติว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเปรดเป็นเทวดาเป็นเรื่องขนาดจิตไม่มีอะว่าาเอง อย่างนั้น่ะอุปมาเทียบเคียงได้แต่ไม่ใช่ว่าตัวจริงตัวจริงคืออย่างนั้นและแม้แต่เนี่ยแม้แต่เรื่องนรกสวรรค์เนี่ยผลบุญผลบาปที่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าจะแสดงหลังตายนะเห็นว่าตายไปแล้วไปตกนรกทุกติมินิบาตอสุรกายตายไปแล้วบังเกิดในสวรรค์สุกติโลกสวรรค์เนี่ยจะสส่่งตงตรงชาช้คำอย่างนั้น แต่ว่าเวลาอธิบายนั้นแน่นอนเราอุปมาได้เทียบเคียงได้คือให้ดูเอาหรือแม้แต่คําว่าสวรรค์นในอกนรกในใจก็คือให้คิดเอาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงสวรรค์นในอกนรกในใจเป็นแสดงสวรรค์ น, นรกในภพชาติหน้าดังนั้นเพียงแต่ว่าเรานํามาอุปมาเทียบเคียงนั้นได้ชาตความเกิดเนี่ยอุปมาเทียบเคียงได้แต่อย่าบอกว่าเกิดคืออย่างนั้นชาติความเกิดคือเกิดในกําเนิดทั้งสี่นั่นแหละ แล้วเราก็เกิดในครันพวกเป็ดพวกไก่ก็เกิดในไข่พวกเชื้อไวรัสต่างๆซื้อโรคต่างๆก็เกิดในของสกปรกแล้วก็พวกเทวดาพวกสัตว์นรกพวกเปรตพวกอสุรกายพวกพรหมก็เกิดโดยโอปปาติกะคือผุดขึ้นนี้ก็คือความเกิดต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญณาธรรม จะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี